ของพวกเราต่อไปอันดับแรกคือการได้เห็นได้ฟังการศึกษาสัญชาติญาณจิตใจของมนุษย์คนเราต้องการความสุขความสบายทุกชาติยันวรรณะชาติใดภาษาใดต้องการความสุขความสบาย ฉะนั้นความสุขความสบายธรรมชาตินั่นะ่ะพระพุทธเจ้ารตรัสตสโรด้วยบุญญาบารดีที่พระพุทธเจ้าสร้างมาเพื่อจะได้รตรัสตสโเป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกสอนโลกด้วยบุญญาบาะมีอ น, นั้นล่นะี่พนะระพุทธเจ้าออกบาเพ็ญ เ, เพื่อให้เห็นความสุขธรรมชาติฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าเจอความสุขธรรมชาติเกิดจากความสงบของจิตใจ ความสงบขอมจิตใจเรียกว่าสมาธินี่นะเป็นที่เกิดความสุขธรรมชาติที่จิตใจมะลดคนเราทุกชาติชันวันลนะต้องการปรารถนาความสงบขอมสมาธิจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ เกิดขึ้นจากสถานที่มีความเยียกสงบภายนอกขณะนี้พวกเราทุกท่านทุกองกำลังอยู่ในความเยียกแบบธรรมชาติต า, านถ้ำเ้ิมผาป่าเขาลุกกมูลลมไม้ ลาจากเสียงกระทึกคือของเสียงบูเสียงคขนที่พวกเรานั่งอยู่นิ่งๆมันเงียบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนฉะนั้นความเงียบจรงนี้กเพื่อศึกษาทางนอกอย่างที่ว่า แล้วก็ น, น้อมเข้ามาสู่ทางใจศึกษาทางใจเรียนรู้ทางใจหรือว่าจิตใจจะทำ น, นอกก็ดีทำเจิตใจก็ดีเยียบให้เป็นรวมเยี่ยสมสงบถ้าเยียบใจเจรอง ไม่มีความสงบระบบที่เกิดความสุขธรรมชาตินะ่ะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นดูใจของพวกเราท่านต่างก็ความเยียบให้เป็นความเยี่ยบส ง, เงบเงย็นอกเย็นใจ สดชื่นยิ้นแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามจิตใจดีความสุขความสบายธรรมชาตินี่เกิดเป็นคุณภาพจากธรรมที่ท่านเรียกว่าสมาธิสงบสงบความเป็นสมาธิความสุขธรรมชาติอันนี้น่ะจะไม่เหมือนความสุข ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่อาศัยความยินดีรูกเสียงยิน่นหลอดเหมือนมนุษย์ทั่วไปโลกทั่วไปเขายินดีกองการฉะนั้นความสุขแบบโลกโลกพวกเราได้ผ่านมาด้วยกันนั้นแหละมันมีเพียงแค่นั้นแหละความสุขความสบายแบบโลกโลกทานโลกเขา มันไม่มากไปกว่าที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ฉะนั้นความสุขสามทางทันที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นความสุขธรรมชาติหาความสุขอื่นที่โลกมนุษย์ที่เคย ได้เคยเห็นเคยเจอเคยเจอมาเที่ยวกับความสุขที่เป็นสมาธิความสุขความจมูแบบธรรมาชาติมันไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเป็นภาษาบาลีนทัทธิสันติบาลังสุขังโุกเอิบยิ่ง ก, กวัว่วจมูกใจถึงนสมาธิที่ไม่มีแล้วหมายเป็นว่าความสุขแบบโลกโลก ลอกมาดุทั้งหลายจะแบ่งญหากันอยู่ฉะนั้นความสุขธรรมาชาติตรงนี้พวกเรายัางเป็นสามัญชนยังเป็นกุตุชนคือจิตใจของพวกเรายัางมีความโลภความโกรธความหลงยังมีตัญหาทําให้ใจิตใจมีความฟุ้งซ่านอยู่ ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิธรรมจึงเป็นพิธีชำระลกโกรธหลงที่มีในใจนี่แะให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือให้เบาบางออกเบาบางออกจาก จ, จิตใจให้ใจิตใจของพวกเรามีความเป็นอิสระ จนฝึกตั้งใจได้ดีตั้งกะีิได้ดีเป็นสมาธิขึ้นมาจะนั้นหน้าที่ของพวกเราไม่ได้มีอะไรมากมายทั้งพระสงฆ์องค์เด่นทั้งญาติโยมอุบาจุบาสิกาถ้าเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว การปฏิบัติเพื่อกำจัดหรือชำระล้างกิต劣ตัญหาที่ทำให้จิตใจของพวกเราปวดงัวเศร้าหมองอันนี้หรือจิต劣ตัญหาที่ทำให้จิตใจของพวกเรามีปัญหาเกิดความเป็นทุกข์มากน้อยมันไม่เกิดจากกิด จากความรลกความโกรธความหลงนี่ทนะั้งนั้นฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงมาฝึกทำวามสงบให้ที่แหลกกันหานะันน่ะมันสงบออกจากจิตใจของพวกเราถ้าไม่ถึงความสงบแบบสมาธิจริงๆแล้วก็ ให้เอาลักษณะของเี็นของทมเป็นระบบควบคุมนอกจาณสังบอระวังระวังอารมณ์ที่ที่เดือดจัดหามังกรแดงเป็นอารมณ์ขึ้นมาสังบอระวังอันนี้คือหน้าที่รู้ตัวขึ้น ข้อเฉลยจะหาดีในดวงกิจดวงใจพระสงฆ์องค์เจ้าครุฑันท์ครุขงมิแบบเดียวกันญาติยอมบาตรตกบาสิกาแบบเดียวกันทุกชาติฉันบรรณชาติใดภาษาใดแบบเดียวกันหมดเลยเค่นั้นและิ่งดีปฏิบัติ เอาลักษณะของศีลของธรรมนี่นะมาเป็นระบบควบคุรรมอำนาจที่เหลือกันหายามันก็เหลือเสืบสามเก้นหรือสินธรรมจะเปรียบเทียบว่าเป็นน้ำเอานา้ำศิลนั้นธรรมมาเปงเครื่องจันรรางความเศร้าหมองโลภโกรธหลงทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นัวเนี่ย ทำมันน้อยลงน้อยลงออกจากจิตใจของพวกเราให้จิตใจของพวกเรามีความแ จ, จ่มใสมีความหอมใสมีความสะอาดลาไ จ, จากอำนาจที่เบียตันหาที่ทำให้จิตใจของพวกเราเศร้าหมองขุ่นวัวแสดงความเป็นทุกข์มากน้อยอันนี้ไม่มีใครที่จะทำให้ใครได้ พาะุทธเจ้าเทศน์ไว้สอนไว้ให้มนุษย์ในโลกนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาเจอกมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนั้นเหล่านั้นคนนั้นเป็นผู้มีวาจาได้มาเจอกมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียนรู้แนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณค่าของหลักศีลธรรมแล้วเอาหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแ่ะเรานํามาใช้อย่างที่ว่านี่นเอามาใช้ถ้าเทียบเหมือนน้าเอามาชําระโอกปวดหลงที่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองขุนหวมนน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, นยลงจนจิตใจของเรามันสะอาดขึ้นมาได้ เหมือนเครื่องใจของพวกเรามีความจกระปบดยิ่งจกระเบมากๆทํทำยังไงเนี่ยเครื่องใจอันอนั้นอ่ะมันมีอันเดียวเท่านั้นจำเป็นจะต้องใช้แล้วใจของพวกเราก็มีอันเดียวเจตใจของพวกเรานะั้นถ้าปล่อยใหามันจกระเบดมากมากเนี่ย ตกจากฐานะของความเป็นสมบัติเข้าสู่ความเป็นวิบัติอบายยามรนรกเปรตผีสุรกายตะเดริชานนั่นคือจิตใจปล่อยให้จิตใจมันจกปกมากเนื้ถึงความดีความเป็นสมบัติเนื้อไม่ได้มันจึงเป็นเปรตเป็นผีสัตว์โลกเตีเป็นสัตว์เดลิชานน่ากลัวขนาดไหนเน่าใจจกปกด้วยโรคปวดหลงและตัณหา ตอนนี้นี่เองพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารจัดทั้งหลายเทวดามนุษย์ทั้งหลายถ้าเผื่อใครมีโอกาสเหมือนอย่างพวกเราท่านๆเนี่ยได้มาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนความจริงสัสตร์ความจริงอันเนี้ยมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกรวงเหตุรวงใจ โอกาสดีของพวกเราเนี่ยควรจะโ h o ใจยินดีเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องชำระล้ า, ล า, ลางเถอะใจของเราโลภอดหลงชื่อจรอย่างเป็นของที่ไม่ดีเอามาใช้ชำระล้ า, ล า, ลางเถอะเนี่ย แต่นันจะมีการปฏิบัติหมยายก็ว่าเอารับษนะของศีลของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นำมาใช้ชำรล้า ง, งมาละนับที่เด็ดโกโกคปวรหลงออกจากดวงกิตรวงใจงอันนี้ความหมายที่พวกเรามีหน้าที่ควรจะฝักควรจะเรียนรู้ คือความสุขธรรมชาติที่เกิดจากสมาธิธรรมใจของพวกเรามีโรคโวดหลงเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ทางการควบความเงียบให้เป็นความเงียบจะมกหน้าที่การฝึกถ้าเผื่อเป็นแลไตรงนี้ให้พระอธิบายการเนื้อหานี่ให้พลันฟังก็หน่อยอธิบาย เข้าสมาธิกันต่อที่ฝึกให้ใจมีความสงบเอาความเป็นธรรมจริธรรมมีวิญญาณธรรมทำเอาสมาธิธรรมเนี่ยมัเกิดขึ้นฝึกให้ใจมีความสงบเนี่ยกามนโยบายที่พวกเร า, าเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ฝึกตั้งใจดีๆตั้งทิฏฐิดีๆแล้วก็ทําใจให้สบายสบายเปนเรื่อกพุโทโธพุธโทโธมาเป็นเครื่องฝึกกันต่อไปที่นี่ครับ ความหมายประเด็นสำคัญก็คือเรามาเรียนรู้เรื่องของใจหรือเรื่องของจิตคำว่าจิตว่าใจมันพูดแทนกันได้ใจกรหมายทั้งจิตจิตกรหมายถทั้งใจ แต่ท่านแยกลักษณะความนึกความเชื่ท่านนั้นเรียกว่าจิตความนึกความเชื่ถ้าเผื่อไม่มีจิตเตะกันหาเป็นตัวไปเสริมความนึกความเชื่ออันนั้นอ่ะมันก็ะกายเป็นอนิจจ์ เนื้อาบก็ดัไปเคียดยาบมนดับไ ป, บไปถ้าเบื่อมีทิเลสตัญหาเป็นตัวเสริมอนเนี้ยความนึความเคียดอันเนี้ยมันจะเป็นต้นเหตต้นเหตทั้งฝ่ายชั่วท่าถิาิเลสตัเป็นตัวเสริมพาทิไป ถ้าใจของเราพานึกพาเชียดเนี่ยมันจะกลายเป็นประโยชน์เหมือนอย่างพวกเรามาบรรพชาอุปสมบทหรือมาปฏิบัติธรรมในี่ใจของพวกเราพาจิตของเรานึกเชียดหรือพวกเรานั่งสมาธิ นรใช้คำิกรรมพุโทโธพุธโทโธจะเรียกว่าใจของเราพาจิตของเรานึกคิียดก็ไม่เปยนฉะนั้นมาเรียนรู้เรื่องนี้จิตของเราหรือว่าใจของเรานี่ความนึกความเิียดให้พวกเรา ใช้เนึกเคสให้มันเป็นประโยชน์อันนี้ตัางหากที่พวกเราควรจะมาเรียนรู้ถ้าเปล่อปล่อยให้ทิเลสตัาหาอารมณ์ประเภทนั้นๆนั้นอ่ะพาเจิตนเนืิดมันจะเช็ดไปเรื่อยๆทิ่มเป็นเครื่องบังลมมัน อันไหนมาเป็นเครื่องบำรุงจิเบสตันหาก็คือเรื่องของโลกเสียงจิ่นรถสัมผัสอารมณ์แหลกโรกโล ก, โลกทางโลกคอนแสวงหาจิตดีกันอยู่ลัวนหะคอเจตบอันนั้นดหละความทกมันไม่มีของไม่มีเจไม่ทราบว่าจะไปจบไปหมดตรงตร ง, ตรงไหน แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ความเจริญตรงนี้เนิบเชิดให้มันเป็นบุญเป็นกุศลถึงจะพบพรมอยู่ในเป็นบุญเป็นกุศลมันก็อยู่ในฐานะความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติหรือพระอินทรพระพรหถ้าอยู่ในพบพรมอย่างนี้ ย่อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติแต่โอกาสที่จะหมดอนนานาจของหุญนะั้มันมีอยู่รวมเกิรวมใจรวงเมฆว ก, กมาเกิดใหม่ก่อใหม่ในภพภูมของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันที่มี ไม่ขาดในโลกนีดวงใจของพวกเราดวงจิตของพวกเราก่อภพก่อชาติตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกตายแล้วเกิดอี ก, ยกอยู่เนี่ยมันวนเวียนอยู่กับความทุกข์อันเนี่ยยงให้ศึกษาเข้าสู่ถึงมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอันนี้หน้าที่ของพวกเรา จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าสอน็คือนิพพานสุขสมบูรณ์ไม่มีอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงสุขละเลิศประเสริฐสมบูรณ์บริบุญเกิดตรงนั้นเยียวยาใจของพวกเราก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วจึงมีการมาฟังแล้วฝึกข้อหมายจุดหมายปลายทางตรงนั้น แบบพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้ามี่คือหน้าที่ของพวกเราให้เข้าใจควมหมายการฟังการฝึกเรวันนี้เห็นว่าพอทึงควรเจตเวลาเลิกเปี่ยนใบทของใครของเราเอาที่เนี่ยพวกยิมพวกโยมเลิกไปก่อนนะ